ไม่รู้ที่สองปีทำทั้งหมดก็ขนาดเรื่องิญเล็กพันพันพันเ น, น, น, น, นี่ยบุตรนะนแม่เดืบานอันนี้เป็นน้องทักกัน นี่เล็กขั้นนั่นก็บวดขงขนาดนี้บนานยี่สี่้นหกีห้าปีเต็มแล้วบสี่หกก็เป็นเต็มเตาโอปุสาวันที่สิบสองบวชวันที่ส2องปฤสาเกิดก็เกิดวันที่สิบสองสิงหาบวดวันที่ส2บสองปุืส า, ววาไม่นาน ปวในศาสนา น, สนี่สฉันบอบผมเองไม่นานเลยตอนไหนอะไรมันคอขอบวนงานมันไม่เกิบบสึกนึงมันต้องนานคิดไม่ได้คิดอย่องโน้จนจะมีที่เด็ดอยู่มันก็คิดหน้าที่ในธรรมอะไรอย่งนการเรียนมันก็คิดมันก็หมุนไปเรียนผมยังเคยล่ามาือเพื่อนฟัง <laughs> มันจนเป็นสมาธิในเรียนแต่หนักติดหนักใไปไหนแล้อยู่กับนี่เลยเหตุที่จะทราบโดยภาพก่อน ท่านถูกนิมนต์ไปฉันที่บ้านร้อยโทตองหลอคนทหารเมียจะเป็นคนสวยนําล้วพูดตามคำจริงพูดมันเป็นไรไปพูดมาดีแล้วพอเจอพอเจอกับเมียร้อยตองหล่ออยู่ที่บ้านแล้วยายรู้สึกว่าสวยแต่ทุกคนม่รู้แต่จินมันไม่เห็นมีอะไรนะ ธรรมดาธรรมดาแล้วนี่คือไปยิดรากก็ไม่ใช่ธรรมดาทีนอันหนึ่งมันค่อยพอยไปยึดไม่รู้ตัวนะนั่นแหละถึงว่าสิ่งที่มันมันแหลมคมกว่านั้นึ่งนันละเอียดนั่นนี่นประไปยึดเป็นอุปทานได้ทั้งวันมันก็ไม่เห็นมีคิดงอะไรเลยมีคิดเกี่ยวข้องโบนาร์ดูงึงขืนขืนพระเกียิมันอยู่มันอยู่อย่างนี้อยู่ครับพวก นนหนังสือน่เลยปกติจิตงผมในปัญญาได้ น, น, นนะมันอยู่อย่างนี้เลยเป็นสมาธิของมันนะั่นฉพอพอตอนคืนนอนยนหนังสือมันยัดไปอา้ามีอะไรตัวตรงหรอยัดไปเฮ้เขากดว่านั่ น, <c oughs> น, น, นพรจินแม่เคยออกไปนอย่างมันมันยัดทำให้เผลอทำงานเฮ้ทำไมเขบกด มันจะไปสวยมันไม่คาว่ารักก็ไม่ใช่นะมันอาจจะมีอันหนึ่งยึดถืออยู่ในนั้นแหละเราไม่ทราบควนที่ความรู้สึกจริงๆมันไม่ันไม่ปวนมันรักในควาสวยงามทนั้นแหละในคืนวันนั้นมันเป็นยะยักับงคนทัคนล่ะตั้งท่าอย่างไรดูสิครับก็มันยุ่ น่ารำคาญนะจิตเวรามันอยู่กับนี่จริงมันแยกไปมันนอกมันตั่งต่ไหนเลยนี่ตันไปไหนจิตผมเนี่ยมันจริงมันจังกับไม่ทราบมันจะเป็นเพราะความกินจางหรืออะไรอย่างไรพอไรางี้ยมันทำไม่ไปนี่วะแต่ก็ดูถือถึงเวลานึงมันหงุดหงกวนไปเรื่อยยัดเกลือลูกกันลุกพีพ่อไม่เคยเป็นอย่างนั้นเออขับคน ทั้งยิบเรืงหนังสือแล้วเข้าที่ภาวนาเอาเป็นยังไงทีนึงวะคล้องปุ้ไปภาวทุกวันเห็นวันหนึ่งชั่วโมงเวลาสมมติว่าผมจะนอนตีหนึ่งผมหยุดหกโมงสุ่มมากกว่าหยุแตหนังสือหนึ่งชั่วโมงเอาเป็นเวลาเดินเดินคมก็ตามแต่ส่วนมากผมนั่งสมาธิถ้าจะให้ทั้งเดินคมนั่งสมาธิผมก็ไว้เวลามากขนาดถ้าวันวันนี้จะเดินทั้งเดิคมทั้งสมาธิก็ให้เวลามาก อย่างน้อยนก็ชั่วมงครึ่งหรืสองชั่วโมงเดินนิ่งคนชั่วโมงมนึ่งนั่งภาวนาชั่วโมึผมนั่งได้นะชั่วโมงหนึ่งตั้งหูถึงหวันนั้นกนั่งคนะเอามันจะไปไหนนีค่อยดูมันวะที่นีตั้งหน้าจะดูมัน่ะจริงวะหมดภาระเกี่ยวข้องน่าึ่งการดูนงสีอจิต ส, ส่งไปส่วนหนงสือไม่มีอย่างนี้มันจะออกขนาดนั้ดูทีมันเป็นรักขออ้อหาไอคือมันไม่ได้รักเนมันหนักแยกๆเฉยๆมากกว่านั้นมันก็จะรัก ในขณะที่มันปากฏจ้มันไม่ปรากฏว่ามันต้องมีอะไรของมันที่ลึกลับตรนนั้นมาหามาสบเลอนหนาเลยไม่ไปลนี่เวลาพอหนาหลือหานี่ปหานี่จากนั้นมาเลยหานี่ไปในวันหลังนังือไม่มีเลยเนี่ยคือปีองเราเคยเป็นนั้นนั้นไม่ค่อยเสียมันก็เสียวโลก เพะฉะนันเริ่ความประสงค์ที่แบบสุดแล้วมันคือไม่มีมันมีแต่หน้าที่ทำงานการเรียนสีลปเอาจะจริงกังสนใจก็ไปอะไรไปเที่ยวที่ไหนเลยกี่ปีะไรนักศิลปนั่นมันก็เป็นงั้นหมู่เพื่อเที่วชวนไปเที่ยวที่นั่นเป่นโอ้ยไปละที่เกียดขาดดวงจิตก่อนเขาจะเรียกผผู้หญิงชวนไปเที่ยวไหนไม่ไปพระผู้หญิงไปนสวรรค์ เดี๋ยวจะเปิดพยานให้ดูหน้าเดี๋ยวเปิดพยานให้ดูนี่แต่คือหน้ายิ่งม่ว่าผู้หญิงยิ่งนะเพื่อนเดียวกันนะเวลาเรียนถือก็เป็นอย่างนั้นที่มีรามาออก อ, อกปฏิบัติตางที่อันนี้มันยิ่งไปใหญ่เพราะความเชื่อมั่นเงตัวเองต่อมาผลนิพพานนี้มันเชื่อฝังลงไปมากแล้ว กนั่นจากเอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและระวัติของสาวกเป็นพระดชนพพานอยู่ที่นั่นทีนีจิดมันขยับพอมันขยับเป็นปะหารแต่ยังไงเรากะต้องเรียนกรเป๋อมมันมันจิตใจยังมีอะไรอยู่กับการเรียนอ่านประวัติรมีข้องค้บมาไว้ว่ามแค่ประยุกามแล้วออกแล้วทำได้แค่ไหนก็ตามนี่สคัญเพราะการที่สอบเรียนสามอนู่าทำีต้องด้านด้านสอนทาให้ จะสองลำโพงก็ต้องในว่าใช่ล้วก็จะจสองประดกษีก็ต้องมาทำโพแล้วก็สี่ห้าหกาโพได้แค่นั้นจะสอบเรียนเก็บประโยคแปดเก้าก็ต้องนมนทำอีกมันมีคนต้อทงทำแต่เรานม่นักนทีได้ สอบเพียนก็ตกเรื่อยสอบนักธรรมพวกมัปมันก็ได้เรื่อยนักธรได้มาลาิทธาด้ทั้งเอดทั้งประยุก็คุ้มกันพราเราตกกินตกทั้งธรรมตกทั้งบาลีตกทั้งสองเลยแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าภูมิของตัวองาไม่ไปดีแปทั้งหมดก็ปีก็ไปสองเขาครูให้สอ เห็นวาเราเบนประโยชน์ได้แล้วสอบไม่ได้เาไมเสียใจนักทำโทก็ไม่เสียใจเขภูมิไม่เจ็ปีที่สองมานี่ภูมิเต็ปลากวรใจเป็ของนักทำโทก็เต็งประโยชน์ก็เต็สอบเรื่ได้นักทำโทรทาดรงด้านอนเ อ, เอเนะประโยชน์ตกเสียใจมากสอบปดอย่างไม่ยังได้เพาทั้งประโยชน์ทั้งทำอีกสอบพวกไปนเอาแสอบปีเดียวได้นักทำโทรสอ ประโยคนี้สอบทัง้งสามปีทั้งเรียนรวมกันแล้สี่ปีเรียนเอ า, าทาิ้งมลาทั้วลักปารีนผมท่องได้เหมือนปฏิโมกข่องทุกเล่มเลยเอากินงขนาดนั้นคะรูจะถามไห้กดทวงเพื่อนเจ๊กแล้วเนื่ยดูปรนะวัตินี้กีนล้มสังแลย น, นั้นละลังเป็นพระราม นี่พอจะพอจะออกนันก็มีมาอันนี้ยังไงก็ไม่รู้เลยถ้าจะออกจรงนั้นอีสัมาปานะทุกวันนี้จะังมีอยู่ไหม้ะมาผลนิพพาน้นากวาผลนิพพานยังมีอยู่ทาลงไปผลเป็นที่ตอบรับเป็นที่พึงใจแล้วยังไงก็จะาตายก็ว่าอะไจะทำไงนะใครจะมาแยลงมาผลนิพพานถ้าเรียนหนังสือนั่นมันใส่เรียนธรรม ะ, ะธรรมะ ตลาดของมรรผลนิพพานเนี่ยแต่มันก็คงใส่ตัดถึงใจเลยว่าอะ่ะครูบาอาจารองค์ใดสามารถสอนธรรมะเราให้ถึงเหตุถึงผลเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานไปที่ลงใจแล้วเราจะมอบกา ย, อ ย, อยาไวยตัวต่อครูบาอาจนะถ้าสุดท้ายจะาญญาหาตัณหาบัาน้อนอย่างว่าออกตั้งออกหน้าตั้งหน้าออกอย่า ง, น, างา น, นั้นเนี่ยใน้องอะไรแล้วถึงออกเพื่อความพ้นทุกอย่างี ไปถึงท่านปัญหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยู่ในท่านหมดแล้วแล้วท่านปวดต้อนเข้ามาไวในใจทั้งหมดพอเราไปถึงนันก็ใส่ผางเลยโอ้โหเหมือนกเกาไปบอกว่าท่านไปแล้วนี่หน้านี่หน้านี่หน้าสงสัยเป็นไหนเนี่เราอยู่กับมรรคเราอยู่กับผลอืเราอยู่กับที่เรียกปัญหาที่เรียกปัญหากับมร ก, กับผลอยู่ด้วยกันดีใจตรงเดียวกันชัดจะทําอยู่ตรง จุดเดียวกันเอาเลยขยับลงขยับลงเอาแก้ทพิเกให้ได้ไม่ต้องถามว่าคนนี้ผ่านหรือเผ่านมันลงไป ห, หุนเด็ดเผ็ดร้อนตังตัง ต, งตังจีมันก็ถึงกึศเลยอาที่นี่หายสงสัยเอาลักจริงย้อนมาเจะของที่จริงไหมที่นี่ต้องจริงไม่จริงไม่ได้นามันรับเป็นขนาดนี้เราหาความจริงอย่างนี้จะแทน มี่มาเตอควากินแล้วต้องรินไม่กินไม่ได้เอาตายก็ตายไปตั้งยงไนี้ต่อไป น, บบนั่นแหละจิตผมมันหนักจริงต้องจะบัดมั่งเลยเรื่องของเพียนไม่เหมืย้อนหลังที่ย้อหลังโ <c oughs> อ้กลัวนะกลัวเจ้าของหมเติเติเตลนกแกจินึกอะไล้ว จริงจังพอจิตลงไปเท่านั้นตั้งใจอยู่เรื่องนังสือยู่มันก็ไม่เห็นเปล่ยนวเวาออกปฏิบัตินั่นแหละตอนที่เอาจริงจังขนาดนั้นมันจะเป็นมาหรือยังได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคาการมันแยกทันที่ันดีจนเรางงเหมือนกันอาผู้คนมาสั้งใจบางปฏิบัติทำไม่เคยสนใจกับผู้หญิงเลยทําไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้น มันก็แยกแต่มันไม่นันมันแยกภายในิดตตานะมันแยกๆมันยมันชอบคนวะทำไมมันเป็นนี้วะก็ยิ่งให้ขยับออกเดี๋วเวลาพิจารณาทีหลังไม่ใช่คือเรามีทักษิ่ากรบ้างเวลามันจยกกันรู้มันรู้ได้ง่ายคุณยังไงเทานั้นไม่ใช่ว่าเราเจอ่ มันกลับกเริบขึ้นมาก็มันช่เวลาผ่านไปถรอ๋อก่อนศีลของเรามันมืดมันดมันนื้อแบนเรามันเหมือนหลังหมนึ่งนี่แล้วมันจะไปอะไรซากอะไรขาวอะไรละสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นัมอย่างนนี้มันพอมาพิจราผ่านไปแล้วพอรู้อวลาีล้นเราเดือดเข้ามันรู้ได้เรวมันเป็นเหมือนก็ว่ามันแสดงที่เด็ขึ้นมาอย่างรวดเร็มันเ่านั้นแะเพราะให้รู้ ไม่เลยต่างนั้นอ่ะจะมีเรือเร่องเล่นันไหอยจงอย่างทุกวันมังไม่ได้หนึ่งสุขภาพร่างกายมันไม่อนวยกาลังร่งชายไมนมีแก่พยุงมาอยู่วันนั้นนี่มันอคอยต่อจะล้มทุกวันมันจะขันอะไรแล้วมันจะบำรุงนะมันก็เหม็นได้เรื่องเยมันคอยต่อจะล้ ม, ม, อ ง, มออลองอยู่เรื่อยๆท่ล้มท่าลมเนี่ยคืนข้านอา ความจะไ้บำรุงมันได้หรือว่ก็ปลจะกดหัวมันลงไปเรื่อยๆเย น, นี้ยหนักไปด้วยดนี่ด้วยความลำบากลำบนขนาดไหนฟาดกันดน้วยมันหนักมันหน้ามันหนักอดหานะผมเป็นท้องเขียนันเป็นนิยายเรว่ของ ไม่ทํางั้นไม่ได้มันไม่เห็นผลปรจักษ์ทงั้นมันดีได้หนึ่งหนักกันเอาเป็นอย่างหนักอย่างหนักเรื่อยเลื่อยมาเลยแต่มันก็นาเผยตัวมาปิดสมาธิหนึ่งนี่กั้หลายปีมาห้าปีน่ะผมะมาธิเอาไว้โกหกยากว่างั้นเลยมันอาจาางยิ ง, งทั้สมาธิเขาเ้ยมาโกหกยากเหลือเกินโกหกเราเรงมาธิ เป็นยังไงอย่างเงี้ยมันคือมันช้ำสองมันขนาดนั้นลงเมื่อไหร่ก็หน้ า, านีขนาดนั้นแหะแต่ตึ้งแต่ก่อนมันลงได้เมื่อไหร่เวลาทำนานมันพอ้โอ้วนั่งกำหนดป้าเน็น เ, อ, นนเอืยเอยรเปาเยอะยแต่ก่อนมันทำไม่ได้วเอง ย, ย่กมันทำหนานอ๋อเข้าไปดูเนี่ยโอ้นั่ น, นเสีย ผมอยากโูราจารย์ทานหนาอมันทังได้ออกซ อ, อ, อกออกต้อนเหลิร์ดเลยกระดิ่มันไม่พอดีคน น, น, น, นี้ใสเรองหน้าเป็นยา้ลืมวันลืมคืนลืมหลับลืมนอนเลยนอนก็ไม่ไไหลับหนักหลสุภาพรุพรังเนโอ้มันทำงานดีนะเนี่มไม่ว่าอะไรฝึกมันทำงานท่าง น, านดูครบ ป่อยมวยกันี้เขาฝึกเบื้องต้นเขาฝึกกับอะไรเตะลมเตะแรงนัวเตะกระสอบทรายกระสอบต่อไปก็ขึ้นเตะคนต่ะคนมาสิผมมันทำนาเขาเป็นแชมเปี้นยนได้อันนี้มังเหมือนกันฝึกเข้าฝึกเข้าสมาธิก็ทานาเป็นแชมป์เป็นแชมป์สมาธิขั้นปัญญาญก็ทานาเขาเป็นเชมป์ขั้นปัญญา ี่คือความลงใจนีรื่องมาผลนิภานลงจริงถึงใจจริงไม่สงสัยไม่กจร ะ, จะเอาให้รู้นั่นที่มันทั้งกำลังของสิง่นทั้งหมู่ไม่มีการมีภาษัยเจ้าของเลยแต่พ่อลงเหยียผลงกดนั่คือร่างกายแต่นั่นมันก็สมท้องต้องก ด, ดมันไว้ในะร่างการมันมีกําลังต้องกดมันไว้ด้วยการอดอาหารนอกจาก ก็กดมันม่ได้ปอาหารแล้นัเพื่อการบำเพ็ญทำสะดวกด้วยการปั่นอาหารมีสองประการเราเห็นประจักรในตัวราปั่อาหารปินเพราะทำงาสะดวกสบายเคร่องตัวกลมันก็เอาเอาการกลเอาการเอางานใจเอาสติกกาลังของใจเนี่ยมันพาให้ธาตุขันล้มไปตามเลยมันต้องเหมือนไประจกรมันม่ไม่เหมือนไม่ได้ ความมุ่งมั่นมันรุนแดงทุกยากลำบากที่ไหนมันไม่สนใจไม่จะเอาให้ง่ายเอาให้หน่านี่แหละความมุ่งมั่นมีพลังมากความเพียรจะต้องเป็นไปตามหมดสำคัญความต้องการความอยากได้ความอยากรู้อยากเห็นมีกําลังมากอะไรนั่นแ่ะเป็นเครื่องประกาศให้ทราบชัดเจนแหละความเพียรจะต้องเป็นไปตามโดยไม่ต้องสงสัยเราเห็เราเองมันอยู่ที่เขไม่ได้เพราะมันอยาก อ่าแล้วเป็นเนี่ยความอยากความมุ่งมั่นทีนี้เมื่อจะมาเตี้ยอย่ทุกวันนี้เนี่ยร่างการมันก็หมดกําลังเขมามันจะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นคนละโลกแล้วมันคว่ำแต่จะล้มอยู่แล้วพายันนี้นานนี่มันลดแต่ลมอันจุดสําคัญก็คือว่าใจความมุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีมันหมดไปเลยที่ดียวมันหมดจริงๆก็บอกว่าหมดความมุ่งมั่นผลผลิพาน มันเป็นอรหันต์ล้วมันก็หมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงด้วยไม่ใช่หมดธรรมดาหมดแต่หายสงสัยไปแล้วเราจะเอาอะไรไปหมุนหาอะไรนั่นเองนะความเปลี่ยนเพื่ออะไรมุ่งมั่นมุ่งมนเพื่ออะไรเนี่ยนันก็ไม่มีแต่เมื่อเราไปทําอย่างนั้นโอ้ไม่ได้าตายก่อนยังไม่ทำยังไม่ทันลงมือทำมันต่ตายก่อน มันไปเต็มเหนี่ยของมันแล้วมันก็หยุดเปิ๊กเลยเป็นปฏิปัญญาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีวันมีคืนอย่างนตลับเท่านั้นมันกนมีดับเครื่องมันเปิ๊กมันไปคว่มเหมือนเขาปิดเครื่องทํางานโรงงานเขาหยุดเกิ๊กเครื่องก็หยุดหมดอันนี้มันจะหยุดเปิ๊กทั้งหมดหมดไเป็นคนละคนกัน เกิดว่ามหาจิตมหาปั ญ, ญาหยุดเกื้อเกินไปไหนเพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทำลายมันไม่มีอะไรทำลายหมดเป็นน้ำไม่อยู่อันนั้นเปนเรื่อความเพียงเป็นอย่างว่าคำถามที่ทน่าเป็นความเหมาะสมขอ ง, ง, ของเอง ระหว่างจะยาบนใดประทับความเพียรอย่างนั้นเป็นความเหมาะสมก็เป็นของมันไมาใช่เพือการเพื่อการบังคับบัณฑพาไม่ใช่นบบนอนไม่ได้บังคับอยเล่นกเ ม, มือแล้วก็เดินนั่งพานแล้ก็นั่งามความเหมาะจาิตใจธาดกันต้องการน้มยๆก็ทา ไ, ไม่ได้ทดําดยการกดดัน บ, บังคับหรือทาด้วยความมุ่งมั่นอะไรจิตใจมันก็มีม ดิด่ดพอดิ่ดใช่ไเอ๊ะทํามเป็นนี้มนคือนี่นีน่คราถึงเห็คุณค่าของของคํามธรรที่ครองใจเต็มที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลารประมาณไม่ได้เลยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของที่ที่มันเคยครองหัวใจมาเหยียบย่ำพินายจิตใจรับความบอกทำนาจิกัดจิกันแล้วเหลอญดังเป็มหัวใจเหมือนกันความเห็นโทษ ของกองทุกข์ที่เลสิตขึ้นมาความคุณของธรรมที่ฝ่ายมรรคผลิตขึ้นมาเป็นผลกันทำเป็นที่ผึ้งใจมันก็เห็นดังถึงใจเรืยกันทั้งสองอย่างแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยที่นี่อย่สงสัยอะไรเอาอะไรมาสงสัยทุกสิ่งที่อยากจะมองด้วยตาเนื้อนี้ก็เห็นนี่นี่นี่ี่เสียงเก๋อคนสะพัดมันมีมาตั้งแต่นั่งเดิม แล้วไปสำคัญมันหมายเมื่อเวลาไปเจอเข้าเห็นเห็นได้ยินอะไรมาสัมผัสมันก็จิตนั้นนะมันตรงขึ้นหลอกตัวเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยอันนั้นน่ารากักอันนี้น่ากลัวนี่จะเป็เรื่องของขันตลอดจริงๆนะนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันไม่รู้ความหมายมันโดยตั้แต่จิตจะเจ้าตัวหลอกตัวหลอนมันลอกนั่นไปที่เรียกพาหลอกหลวงมันไม่เคยเห็นโทษใงความบ่าพภาพของตัเองเลย กติปัญญาเท่านั้นจะเห็นโทษแห่งความว่าทำไปตามพิเดชทันมันตรุงขึ้นมาแบบนั้นนี่มันทันกันทันกานนึกหลอกแบบไหนเอาภาพภาพาทันกันทันกันพิเดชอยากที่ว่าเสืออย่างนี้พี่วาเสือมันปรุงแพร่ขมาเป็นภาพเสือภาพดับทุบนี่เสือตัวเนี้เนี่ยเสือตัวตั้งขานี่ตั้งขานี่แหน่มันดูเสือสมมุติว่าสวยมันยสมมุติเรามองเห็นผู้หญิงว่าสวยว่างามที่ ขึ้นภาพไปที่มันแบบหตัวสวยนี่นี่เนี่ยตัวนั้นเขาไม่เห็นเป็นอะไรอนีอยู่ตามสภาพดินน้ำลงไฟเป็นเป็นรูปเป็นภาพอะไรนั้นตัวนี้มันตัวสําคัญตัวที่ขึ้นตรงนี้พอพอมันกรุงภาพมานีสติมันรู้ทันทีทันทีมันดับทุบไปเลยนี่ตัวทั้งขาเนี่ยตัวสวยอ่ะอืตัวหลอกอ่ะเนี่ยตัวไม่สวยเลยตัวทั้งขานี่มันเห็นโทษตรงนี้มันไม่ได้เห็นสวยให้คุณมันไม่เห็นนายนักธรรมพ่หนล์มันมันเห็นโทษตรงนี้แล้วมันจะไปไหน ว้าถงขั้นมันรู้มันรู้ง้นอ่านี้ก็เอ้มันหลอกตั้งแต่ที่เรียนมันใา้ขันเป็นเครื่องมือหลอก่ไหมงันจมดิ่มไปถึงมที่มันมิตรของเดือนอันตรายจารเอความครให้ได้ ความพิเดชเป็นจากจิตเดียวให้ทําครองใจแล้วโอ้แสอารมสบายเดินหน้าทีมงสมุดทั้งมวลมันจะไม่มีปัญหาเข้าไปยุ่งใจเลยเพราะใช้ไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยแต่ที่จะไปยุ่งกับคที่เดชฟังทักจุ้มหรือลากมันไปยุ่งเมื่อตัวรากตัวจุงไม่มีแล้วจิตกะเพื่อมจิตกลายเป็นคำทั้งทั้งแท่งไปเสียงหาธรรมหาที่ไหนพอเจอใจ เป็นดวงกันแล้วมันก็เท่านั้นแหละปัญหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนมันก็หมดไ ป, ปหาที่ไหนเดี๋ยวใครเป็นคนรู้ทำอยู่แล้วนี่เนี่ยใครเป็นคนสัมผัสทำใครเป็นคนอยู่กับทำทำ่านคืออะไรมันก็รู้อยู่กับใจมันเสียจะหลงไปไหนตะคุบงอไปไห น, นเห็นตัวมันแล้วเนี่ยพาตะคุบเงา อ, อยู่เนื้อต่ตามรอยมันที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนี่เนี่ย ที่ได้ก็ตามรอยไปตามรอยมันก็ตา ม, มไปผมก็ไปถึงตัวโค้แล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะตามรอยถึงทำแค้แล้วมันก็หมดปัญหาในการที่จะตามเด้วยวิธีการต่ตางๆการนั่งรอยของความคิดเข้าไปจนถึงความคิดอย่างเป็นที่แล้วปัญหาการตามรอย้งหมดไม่มีเท่านั้นที่วางไปทางกาตั้งอกต้้งใจในปัจจุบัน ความคิดใดที่มันเป็นแง่โลกเข้ามาเปลียนแปลงจิดใจมันขึ้นเป็นเหมือนลูกศรให้รีบถอดตอนทันทีบังคับทันทีมันจะชอบมันฝืนมันอยากจะคิดจะอ่านขนาดไหนให้ทราบว่าความอยากนี้คือตัวข้ากํำลังตั้งหน้าขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นแล้วปราบมันยาเสียดายมันเป็นขัแล้วค่อยถาไปได้สามันล้วยสติปัญญาเนี่ เนเครื่องประปากห้ามแล้วยังมาี้งก็ถือเป็นยาขุดค้นตามปีต้อนนี้เองเชว่าพูดที่รักษาตนผู้ต้องการความพ้นไถ่มันจําเจอมาซะพอแล้วเห็ุเกก็เหตุแล้วเริมเกิดเรื่องตายเกิดที่ไหนตายที่ไหนเกิดที่ไหนทุกข์ที่ไหนทุกตามแต่กับความเกิดนั่นนนี่ว่าทุกข้างนัตถิอิชาตัดสับทุกยังไม่มีแต่ผู้ไม่เกิด นัฟังนี้เกิดมาแล้วนี่กับสังขารพาให้เกิดอีกเกิดปุงติปุงแต่นมันนี่ก็เป็นทุกข์กับมันอีกนก่าจะเกิดเป็นรูปเป็นการแล้วเพราะฉะนั้นข้าดูข้างนาทีอาชาลส์จึงได้ทั้งสองแง่<ม>ทุกข์ยงนี้แต่พุ่มไม่เกิดเป็นภพเป็นชา ต, ตาินัสตการย่รานไปภายในก็คือว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทรไทยไม่มีทางเกิดได้แ ล, แล้วนา้ก็ดับเตะตั้งหมู่ปัจมโสดุโขวานะนับดับเย้สังขารเป็นความสูงยิ่งใหญ่แน่ ทั้งขาอันนี้สั้งขาตัวตั้งมือไทยนี่เองตัวใหญ่ถูกทําลายลงไปแล้วด้วยธรรมจักรหรือมัชชีมาปฏิปาทาเตะสัมปัสโมุุ่โขก า, ารังนับดับเสียงสังขาทนนไง้งไหล่ดังนั้นเป็นลนสุกยิ่งใหญ่เนแบบที่ตรงนี้ตรงสั้งขาที่มันปรงนุงสังขาตที่ส้มือไทยสําคับมรงมุงนแต่งมันสำคัญมั่นหมาย สังขารนี้มาดำได้ไงมันเกิดมาแล้วนี่เป็นการนิง่งๆควาดำจริงก็ดับตรงนี้สิไอ้นี่มันมนีปัญหาอะไรแล้วขอดับสังขารข้างในที่เป็นตัวสมุทัยเลยลนะของสังขารนี่มีปัญหาอะไรดับมันหน่อยมันก็ดุด๊กๆอยู่เหมือนกับหางจริงเรีนขาดไม่มีเจ้าของ ลกดุ๊กดิ๊กดิอ่งเแต่เกิดทุกข์ก็เกิดทั้งมันเกิดอะไรเลยยิ่งยิ่ยิ่อย่างเง้ยเรารู้ธรรมอนะนะมันก็เห็นมีปัญหาอะไรนี่องดุกิ๊กดจนกว่าถึงวันมันจะสลายกันหาไปแล้วก็หายความรับผิดชอบคำว่าหายห่วงก็ไม่ไม่ว่าเพราะเราไม่ห่วงอยู่แล้วเนี่ยไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วแต่ความรับผิดชอบมันอ่าหายไปหมดปัญหา ความรับผิดชอบแล้วที่สมบูรณ์พูนผลในควางรับผิดชอบกับสินใดคุนจีวาสมมุดมาทำยาอธิบายหมู่เพื่อนไปกันมีได้น้อยไหมขอบคุณูเพื่อนก่อน